มะถ้าในมีช่องทางคืดข้าเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอาธรรมที่คมลมคืนกันกับใจ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 โมโหโตโัวสูงลดคามความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเคียดแค้นต่างๆลถแห่งความรื่นเริงบันเทิงลดแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะจินหรือไม่จินไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรถของกิเลสของอธรรมทั้งมวล ย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอาธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการหนึ่งออกม า, าขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วย ให้สัมปัสสัมพัภธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัญหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธ ยอ่ยอนอกจากยอมรับโดยไถ่เดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในกิจไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักรักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตซุซ้อนเหตุ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 ได้แรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงเช่นความโกความถึนเฉียวนี่เป็นความทุกข์ความเคียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับถิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอาธรรมปรากฏภาณกิจใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไร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 ให้ทาได้ปรกากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่ให้เกิดทาเพราะบางต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำลับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมา ยอมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอาธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความต้องใสความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสะแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผล ให้ชื่อว่าเป็นผลก็าตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ทมได้ปรากฏเพื่อนที่ใจหรือร่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะทำมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลส ซึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อ ย, อยแม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงาจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว จะเป็นกรณีใดนง่ใดก็าตามย่อมจะเป็นทางให้ทำทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตภาวนาวิธีการท่านสอนสอนเพื่อให้ทำปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏ แสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างากล้าหาญทำไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้นจนึงสอนวิธีการที่จะทำให้ทำแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเป็นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามตามแต่จะชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทธโธ หรือธรรมโมรหรือสังโฆหรือกำหนดอาปาณสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆ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 ไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของทิเดศผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุโทโธเท่านั้นหรือทำโมริสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่ชื่อว่าเบิบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลาดับ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 เป็นทางที่ให้ทําสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นเนืเด่นขึ้นโดยลําดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศี่งจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ําสายต่างๆ่างไหลรวมเข้ามาสู่ทํานบใหญ่เช่นนั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตการมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไป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 มาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาตรโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี้ครอบหมดขอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดน ม, มีมุดไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบ เลือตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำดาไปตั้งแต่เริ่มงขั้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงอิมูตุพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติโกนี้ประกาศตังวานุภาณจิตของผูรนี้แล้ว รู้โดยสมบูรณ์สันติทิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ทำทั้งหลายดี ร, รู้ทำทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นนี่นเวลานี้เรากําลัง <c oughs> พยายาม <c oughs> ที่จะทําทําให้ซึมทราบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียกตะกาย ต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องสะเกียรติกายเพราะฝ่ายต่ำกําลังมีมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจกระดิกพลิ้งแผงออกในเนีในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทํางานก่อนทั้งนั้นสกัดลัดกั้นให้ทําก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้เริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาที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 ให้เวน้นให้เห็นโพษเห็นไปยแห่งความคิดปุุงนั้นๆย่อมคิดเล้วแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบาังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อทมจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของ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 ยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากวิเลตตัวหิวโหยอย่นี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นอ <c oughs> นี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนที่นี่นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจอ่อระมัดระวังให้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 ที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญในสําคัญที่ไม่ให้เผอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจืดปน จ, จิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่ง เมื่อจิตไม่ีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดมากขาดตอนเพราะภลายต่ำมาทำลายหรือมากิีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในทำขั้นสมถะนี้ บางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่ท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้คืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะทำให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบําเพ็ญบางครั้งนั้นขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏ ว, ว่าขาดหมด เพราะจาความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั้นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมติตั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แตขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่า บางครั้งเวลาบาเพ็ญสมถะ ธ, ธรรมกิจสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรถแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรถแห่งธรรมท่านสมถะเรือขั้นสงบลาบคาบได้ปรากฏขึน้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระยินยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือ สิ่งเหล่านี้ตัเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้ไมเห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลู่ศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกําลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะทําเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมา ทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงนีน้ำหนักมากอย่างไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาหพยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันเท่านั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เดียวว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่าซึ่งมันเคยอยากมาทาแต่ความรอร้อนให้เรา ความอยากอันนี้ไม่ได้ทําความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ้นเสร็จอาจทำไปโดยลําดับลาดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุขมิมุติดุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกอยากพ้นทุกอยากห่ากิเลสให้วอดมาจงหมดเมื่อข่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากข่าอะไร อยากพ้นหาไหลพ้นถูกพอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้ว น, นัอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยดักธรรมชาติเห็นอย่างชัาเจนความอยากนี้ก็ดลุดลอยไปเองโดยดักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดตัดทิ้งแต่ประการใดนี่เรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกันกบอธรรมที่มีอยู่ภายใน จ, จิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายใน จ, จิตใจ ย่มแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับพูดบอลถูกเตะกิ้งไปกิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสรากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นค้าจะสงสัยสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นถ้าให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าทายต่ำพายสูงก็าตาม แต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายกิจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรูกรอนของมันเห็นโทษเห็นิดหนเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมาจึงได้สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่าทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นจิ่งที่ หายวาย ป, ป่วงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความเพราะความขยี้ขยำ ดี บ, บีสีไฟของจิตเดชประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมามาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้รู้เห็นเห็นอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายใจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลา หยุดงนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งจิเลยพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่เนี่ยการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นีน้เมื่อได้เข้าเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ทำก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีกิตตภาวนาเป็นสําคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้ แต่ทํเมีอานาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่คมเหงฝรายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากเราพูดว่าทรมานจิตก็ทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานไหนทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเข้า ต, ต่อคอกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำดีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นถห้จะ็มเม็ดเต็หน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษ ของการธรมานนี่ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับพิเดษของการฟาดันหันแหลกพิเดษให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลําดับลาดับท่นั้นนี่แหละที่ว่าโดยหักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลําดับขั้นเริ่มรเริ่มแรกนี้ หนักทางร่างกายอิจ ก, ก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นอย่างไรยิเรศแสดงไหมแสดงเพิ่มกาลังขึ้นมากไหมชันมากเป็นอย่างไรยิเรศเพิ่มกาลังขึ้นไหมแต่พึงทราบ นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดแร่ภานาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสถามถะธรรม ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความภาคความเปลี่ยนของตนการกินดูปูว่าหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องนึ้ลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่า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 ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสําหรับผมเองเคยดําเนินมาอย่างนั้นเวล า, าธาตุขันมีกําลังเอะอะนิดหนึ่อคอยแต่จะเสริมนิดนึงคอยแต่จะเสริ ม, จ, รมจึงต้องได้ระมัดระวังให้กดลงไว้เสมอให้หิวหิวห้อยห้อยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลส ช, ชอบแล้วต้องตัดลงตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ํารีบลุกทันทีไม่ซ้ํา การฉันก็นเหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดอจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชาัดเจนสำหรับนิจหลินนิสยัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดเลยอนอกจากคิปปาปัญญาเท่า น, นั้นถ้าคิปปาปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะเพราะลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้ว ธรรมนาของพวกเราที่เคยนอนจรอยู่ที่เหลือมากับยีเรมาเป็นเวลานานฝึก ย, ยากๆทรมาน ย, นยากอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไายได้จังนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันารปฏิบัติให้ทําได้ออกลวดลายบ้างสิเริ่มแต่สมาธิทำได้ปรากฏขึ้นมานี่รถของธรรมปรากฏแล้วภ า, ายใน จ, จิตใจจะมีกว้างแค่ขนานไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศ อากาศจะกว้างแค่ขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเหล่านี้โดยเฉพาะเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนร้อ น, น, ห, นหรือนาวหนาวอยู่นี้เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาว ร, ร้อนไม่ร้อนไม่สําคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั้นร้อนที่นี้เย็นที่นี่หนาว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 เย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันอย่างหนักเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งส่้นนำคาญจิตตัวกิเลสตัวสาคัญสำคั ญ, คญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงลิ่รดราคาตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้แหละตัวสาคัญมากมันควนใจมากนะราคาตัณหาเนี่ยวรออกมากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุด ในวงวัตตจังนี่ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปเราพอปรงุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกหรืว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นปไปไา้ทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุ ท, ทยัยหรืออยู่ข้างนอกนั่นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเนี่ยว เอาอรูปโอเสียงอเอากลิ่นนั้นลดภายนอกเข้ามาถ้าเ ข, ข, ข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมากทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนนี้พิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนนะไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทําเหล่านี้สดสดร้อนๆอนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำทำไมจะล่าสมัย เอามาแก้สิ่งโจรสลัดล้อนที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ที่เด็ดตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นปืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทําไม่ท ำ, ทำจะล้าสมัยเอามาแก้ที่เด็ดปราบที่เด็ดให้บันไัยลงไปจากใจจะล้าสมัยที่ไหนนํามามาใชา้อืการพิจารณาแย ก, กส่วนแบ่งส่วนของธาตของขันทั้งภายนอกทั้งภายใน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 เช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่ด้วยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวไกลกันถึงว่าหน้าที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละละแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียว มันมันทัปฏิสัมพันธ์ต่างตาต่างหูตลอดอ ม, มันนอกจากไม่พูดของเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมูเพื่อนอเพื่อความดีดความดีเพื่ออาจเพื่อทําทุ่มเทลงอย่างไม่มีอัดไม่อั้นไม่มีคําว่าเสียดายไม่มีรีไม่รัทําบนไดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมูเพื่อ น, นถอดถอนออกมาค้นออกมาโอยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมูของเพื่อนที่มันแสด ง, งหูแสดงตาขัดต่อทําทั้งหลาย เนี่ยยิงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องในคิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่ช่วยหนีช่วยผลกับการแนะนำต่างสอนเต็มเม็ดเต็เมหน่วยทุ่มเททุกจุดทุกอย่างเพื่มมพวมุมทครวคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำต่างสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายและอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ําลมฟอากาศสภาพเท่านั้นเองแต่พูดถึงเรื่องกิจก็กิจกับบาปกับบุญนี่มันกับ คข่ครากันอยู่ตลอดเวลาทุกก็เคยทุกมาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวกีที่ไหนอืจิตตรงนี้ช่ชําชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวกีขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากกิตตรงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วมันก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นน่ะผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมุดแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร <c oughs> แน่นหนาทาวอนพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานนางปรมังสุ ข, ขัง ซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังตุขงังนิพพานนี้ไปได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ต า, ามขอให้จิดได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถอะไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่ อ, อไหรตายได้อยู่อยู่ได้ตายได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทางนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมัดไม่หมายพอดีพอดีก็อยู่อย่างนั้นเนี่ค ขอให้ทําตั้งแต่ขั้นเดิมแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แนี้ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเถิดอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่อกระจายทั่วแดนโลกกระถางทั้งสมมุติทั้งวิมุตทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกกระถางเท่านั้นวิเลศมันมีอยู่ในแดนโลกกระถานี้สามไตรภบแปลว่าสามภบไตรแปลว่าสามนี่ในไตรภบมีเป็นเรื่องของ ธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเดือนของหน่งแต่เมื่อทำได้คร่าวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนี้ผ่านไม่สงสัยนั่นอะทำเมื่อได้กระจายได้กระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่าลิชิเด็กเป็นไในไหนด้วยเหตุ น, นี้ท่านผู้เป็นป่าทั้งหลายจึงโคตนาด้วยความถึงพระทยัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสําคัญพุทธบริษัท โกนห้าโซ่จิมานันโดนิจังปัจจุเ ต, เตสติอันตกาเลนณโอณัธาปดีปังนันเวสถะก็เมื่อโลกทั้นี้วาดนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝุ่นด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเผาลนอยู่ไม่มีรักมีตอนเลยพวกท่านทัน้งหลายลื่นเหลึงมันเทีงหัวเรา ก, กันหาอะไรทําไมไม่สอบแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นนไหนเล่าหน่ะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟไ ฟ, ไฟตะโกนบอก ยากผีบอกอย่งนั้นพอเป็นนี่เป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันอันนี้เป็นยังไงได้รับความมิจฉาที่โสอะไรบ้างความคิดความปรุงกับปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอเนี่อะไร ขายได้ของพวิเศษวิโสมาอวดกันบ้างมันก็เข้าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทําให้จิตไ ด, ดสส้สัมผัสสัมผัสทำสิจะได้ประกาศกลางวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม่ไม่ประกาศให้ใครทราบก็าตามจะประกาศกลางวานขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ น, นาฬโยหมดเรื่องอะไรตายยากกับแดนหนังตาช้าคืน แดนฉันสมุดทั้งสามนี่คือแดนนังป่าช้านั่นเละเกิดตายเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดุกขั้งนาถิอาชาตัดสัตหมดเรื่องสัตย์เรื่องเกิดเกิดตายตายทุกไม่มีละง่ายง่ายอย่างนั้นพูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัตสัมพันธรร์กับกายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมัน ก็สัมปัสสัมผั์กันมากทุกข์มากฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากถูกมีมากเท่าไหร่จนทั่งทําทกับใจเป็นเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนามาพูดกันจิตเป็นธรรมทรเป็นจิตล่วนๆนะสวัสดิ์สบายก็แสนสบายแต่ว่ลาล้านสบายก็เป็นไรไป ออพูดติดปากกันมาแสนสบายแสนสบายล้านสบายอะไรเล ย, นะเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วทุกโรคโลกทุโกโรคเลยกั้งหนี่การปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมทุสตรอนอนเป็นธรรมที่ทำสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนลกธาตุนี้ จะเสมอเหมือนได้ให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสติก ข, ขึ้นมาทั้งตัวของมันเองอแหลกได้ด้วยอาตุยธรรมตรงนี้สติธรรมปัญญาธรรมสาคัญมากพระห้าท่านกล่าวไปแล้วศรัทธาบริญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเยี่ยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะ เพรเป็นรถประจักษวิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างไรชาติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกนะปัญญา ก, ก็เห ม, ม, มือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลําดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษเจ้าของสิท่านเหล่านี้บรรจุวิริยใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็น ถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เป <c oughs> really ิดด้วยภาคปฏิบัติไม่เปิดดูถึงแต่คำพีบาลานก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่ไม่สําเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสยังเต็มตัวหัวเราะโดยซ้ําไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยาตปฏิบัติครับปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยยึดภายในตัวในหัวใจของเราเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เผลยยังยอมรับว่าเ เมื่อทําแทรกเข้าไปทําลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทําไมจะไม่รู้รถของทอําไปยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของทอําเป็นยังไงรสชางทํามเปยังไงทําไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่หลักสมบัตปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือ ป, ปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผาดโผ น, ผ น, ผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ําซึมเหมือนกระดาษซึม วิเหลยร์ละเอียดลงไปสติปัญญาันเป็นเครื่องมือปราบวิเดียร์ <ๆ S 1> เขาละเอียดตามกันไปต่างกันไป ถ, ถ้าถ้าวิเดียร์ไม่ไม่หมดอยากหัวใจเสมืออะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทํางานจะลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื่อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปธรรมเมื่อเชื่อแห่งวัตจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงตะวิมุต เสยวยบิมูด Norway, ท่านพูดออกมาว่าเสเวยเพราะโลกมีสมมูิท่านก็บอกเสวยบิมูดท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุก Nexus, เวทนาเอาเกลืขาเวทนาน่ะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุูลพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสเวยบิมูดความจรงิงท่านไม่สเสเวยอืเอาอะไรมาเสเวยอืเสเวยแบบโลกโลกมันก็เป็นอบิมุดนั่นก็เป็น เลธนาสามปารสินี่ท่านมันมีสวยวิมุติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นองนั้นค่ามันถึงกับรู้เองสวยไม่สวยกับรู้เองพากันตั้งอกตั้งใจมะผมเหนื่อยลงทุกวันทุกวันดังที่เออดีผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่าง ในิจใจผมเป็นไรพราะาารการงานเพาะทราบแล้วมันพออยู่มัน พ, พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทําต้องทำอย่ น, นี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทําได้มันก็ทําไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนเปไ็นมาได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้อาพากั น, นตั้งอกตั้งใจพิสปฏิบัติอย่าเห็นจริงใดสําคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นทีใจของเราทุกๆท่านนี่ จึงมีการปฏิบัติอย่างจมูดขวดกันอย่าเผลอไคล์ไปกับอะไรอยาติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเด็นมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เลสมันเสกสรรตั้งยอขึ้นมาให้เราหลงเขยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมด้วยทําพอจะทําประกอบเข้าไปกิเดียสมันเปล่าพูดเดียวให้เป็นของเด่นไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดเลยกิเลสกาเป็นของทําสมัยขึ้นมาเหนียดเข้ามันเงียมนานมากนี่เราไม่รู้มัน คนมายาของมันสิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถิดแล้วมันจะทราบคัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปริพาน์กี่พระองค์แล้วว่านานเท่าไหรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดสดร้อนๆอยู่ที่จุดดวงเดียวนี่แหละชั้นใดชั้นนั้นในที่นี้เลยเลยภาษาวโมกิจนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยชั้นนี่ชั้นใดนั้นชั้นนั้นนั้นชั้นใดนี่ชั้นนั้นเดียว แล้วไม่พูดว่าฉันนั้นฉันใดเสียด้วยซ้าไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอันความจริงมไม่ประสิฐนอกจากสัจธรร ม, ม, มทั้งสี่ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมทัหรับทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข en ์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยแหล่งผิดทุกข์มันต้องผิดขึ้งมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่น pim. ความหมายว่ามากเครื่องปราบ กิเลสต้องบาปไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื salut, ่อนไหวไปไปกับสิ่งใดๆเท่านั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคในกาลังต้องดับธาตุทาเดียวเท่านั้นดับดับโดยดับดานี่ท่านเรียกว่าสายจะทำอันนั้นที่บอกจริงอันเปรตอันนั้นนอกจากสาจะทำอันนี้ไปโดใชมรรคมรรคกษัตริย์เป็นผู้หนุ่เป็นผู้ตัด สิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็เรววามต่ำชาติทั้งหลายออกจนกลายเป็นทําตั้งดวงขึ้นมาที่กิดทั้งดวงนั้นการแสดงธรรมที่ผมบอกไปต้อง ไ, งไ ป, งไ พ, าาไปพูดพาาไปขึ้นมาไปรู้สุดเหนื่อยผู้ปฏิบัติยังไงไม่ระกโทษหนึ่งต้องรักโทหนึ่ ง, งานาจนได้เพราะธรรมมาปฏิบัติไม่เป็น ความที่จะให้ปรากฏดหนึ่งหัวใจจแทะเมืเมนเรียนนะเรียนมีแต่ความจําปรากฏดความพิงไม่ปากกดถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติผู้ทีุกคร<ม>้งเนทางให้เพื่อน้อยล ง, ลงน้อยลงทางปฏิบัติต้องมีผูแ้แนะเนี้ยทางที่ถูกตั้งถูกตั้งมันไม่ล่าช้าและไม่ไม่ไม่ล่าแหลมแต่ทางผิดนี่ เรารู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงแต่งแต่งถูกเพราะท่านเห็นแต่หมดลูกเลยหมดเหมือ น, นกับกำลังกองขาวมายกกำภีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกันเรื่องของรู้รู้ด้วยความันสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัตเิเรียนมากเยนน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันทุงสอนได้บางทีมันได้เกียบกันก็คือว่า ผเรียนปญาตินี่มันกว้างขวางมั ม, มีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันอย่งัยงไงแต่ผู้ปฏิบัติไม่มีปรียานี่มันความรู้มันไปแค่แบ่เฉพาะเฉพาะเฉพาะอนความจริงมันเต็มส่วนแต่สีบรรยายไปก็เป็นประโยชน์แจกคนนะมันไม่สะดวก ป, ปียาติจึงเป็นเครื่องหนุนได้ดีในเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเลย พอามาเทียบเทียงมาเป็นสักขีพยานนั่นงงจะเห็นได้เวลาข้าทางด้านวิปัสสนาอลมงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะ ท, ทั้งวันไปทีแรกธรรมะที่ท่านเรียนโอ้ท่านเรียนท่านหาก็นัก ว, วิรญาณมามากคนคว ร, คว ร, ควรจนเป็นมาหาทาานันหวังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของผู้เจ้านา้าแต่เวลานี้ทีท่ท่นเรียนมาล้วไม่ตุดจะอยู่ถ้าท่านยกดูเท้าแล้จะก่อนนะ เอาทางจิตให้แน่นหนามันคงน่างัลางนั่นจะถึงใจกับการเดินมากยันน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานทางจิตทางกลางนี่ต่อเมื่อมันถึงคั้นที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมตจำหนึ่งนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่ทางปิดไม่อยู่ทางนี้พอข้าขระถึงขั้น ธรรมดาไม่เป็นจริงๆมันเป็นขึ้ น, นมาในจินี่เอาทั้งเอาหาหาลักฐานมายืนยันว่านี่ยนยนกนั่ง น, นานมานพอลงกันนั้น ป, ปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกันวันนีอยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นนี่งเรียกว่าคาํารับข้อที่มันยังไม่ลงกันนี่กลุๆๆ่มของปฏิทิติทิฏ อันนั้นแต่ละขั้นสูตรที่ผมยังไม่เห็นแต่ผมก็ยกให้เชี่อว่าหนึ่งผู้เจรจารึกเป็นคนประเภทใดนี่อย่างล้วขนาะจะพู้จะย่อออกไปแล้วประเทศบางทีอย่างบางประเทศบางทีประเทศปัญญาไปเลยบางทีประเทศสมาธิไม่ถึงกันปัญญาเลยบางทีประเศสมาธิเลยอาปัญญานีดหน่อยแล้วก็ไปเลยไม่กว่าอี้สูตนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลลายถูกต้องของธรรมนั้นเสีย เราไม่เข้าไปยุ่งก็จะเาไปถึงผู้จดจารลึกจดจารลึกทําเป็นประเตทนใดนี้เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการจดจารลึกทำครับเป็นพาาระละหันผู้จดจารลึกแล้วจะทำมากแต่ละเอียดก็ออกมาพิเยษครับเป็นธรรมดาเรามีชี่เดียวเมาาเื่อจดจลกึกก็จะได้แต่งๆนี่ความมันนานทั้งดุนมาานั้น แก่นละเอียดไม่ได้ความทีกเครื่งของทำของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะห้าคิตอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดเนี่ยแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทใครนะมันเป็นอย่างนั้นกัความจริงเป็นอย่างนัตวางภาพเป็นภาพปฏิบัติแล้วมีกระจายปีแผ่ไปแผ่ไปหนาละเอียดขนาดไหนมาแล้วจนกล้าพูดอื ถ้าอยเขียนประวัติของพระละหันเอาลองดูซิวางหนึ่งน่วยแต่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ก็เป็นพระละหันเท่านั้นที่เขียนให้เต็มไม่เต็มหนวยได้ถ้าไม่ใช่ระหันไม่เต็มว่างนี่เลยจะจำมาได้แคเท่าไหร่เต็มหัวอกก็เสตั้งแต่ความจําเลยความจริงจะไม่ปรากฏเมื่อที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั่นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับกัมจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจําจับจับไม่ได้เข้ากันม่ไดนั่นเพราะงั้น เนื้ออะเนื้อทํารสชาติมันจิงผิดกันงอยู่มากงงเสียงงงตามแล้พูดกันได้อย่างนี้เลยความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บเลยพอเขาเนือนต้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นขอจริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดนี่เมื่อ ยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยยิ่งกันเดียวกันเสียความําเปลียนัันนะอืมอย่างพวกเราอยู่คันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดป่าวันตาเขา็ขายงจ้องล่าลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดียวเคร่งคัดหลงตบาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดืยวเรื่องเค่งคัดให้พรทหารมาดูที่มาดูพวกเราเเดี๋ยวกําแพงแตกถ้านจังหงายไปเลยทันที จะว่าอะไรพวกเราโ ง, โง่อยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูดินีกก่แยบกว่ตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลส อ, ออกทํางานทางนั้นไม่มีทําออกทํางานเลยนั่นเราเห็นไหมล่นะท่านเห็นนี่ท่านผู้เหนือกิเลสแล้วท่านเห็นอยู่ว่างไรพวกเราโ ง, โง่จะตายมันว่าตลาดยึงแต่ของอยู่หรือให้มันเอาตามไอ้นี้นะคําพูดอันนี้ผมจะโง่แต่โง่กัตามขอให้จำคานี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่านย่านั้นล่ะ นี้ยมันมันเห็นนี่รื่าง่ายท่านผู้เห็นมนีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดเหมนั้นจะข้ามได้เหลือกเกลเียดทำไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันข้าไม่ได้เห็นมันไดไ้ใครจะละเอียดเนื้อกเกลียดในสามใจลูกท่านนี้กเกลียดต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำกันนั้น้มันเอาเป็นเครื่องมือแล้ว ม, มาต่อสู้ทำมามาดูพระเหมือนจะบอก จะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระอตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาข้างหลังเราไม่เห็นนี่อื ม, มาก็แบกยดแบกลาบแบกฐานะสูงต่ําความรู้ความฉลาดหนักจนจะตา ย, ตยกิเลสมันให้แบกมาไม่รู้มาก็เหมือนกับผ้าเป็นควายเะไรดิดูพระอืมเป็นยังไงยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนเปเจ้าเราเจ้าเป็นเจ้าหน้าวาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้เนี้ยพับเดี่ยวก็รู้ อาหาจิตเนื้มันพระอรหันต์ติดท่านอายุบอกตามประิโบราณนกะิริยาบอกอะไรกิริยาไม่เหรียญบอกชาติของิเนะเป็นไงทางตรวดฟังเทศเข้าใจใสงบมั้มละ่ะสงบน ะ, บนะคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติ ด, ดูนยลำพังเราผมยอมรับอันนี้ สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นคิดจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเทศถึงสี่ห้าก็เป็นอย่างหนึง่งกินแม่ไม่สนใจฟังจิตหมูยมแม่ไม่ได้ฟังอะไรพระเทศจะฟังตัวรัวไปเทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังมันทำจิตท่าสงบสบายอย่างนี้เพื่อไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศเปอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อ ไหลลงไหลลงไหลลงหม t t ittle, t ittle, t ittle. ุนติ้วติ so ้วต hmm. mm ิ hmm. mm ้วไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิท่านนินไม่เคยเป็นสมาธิก็เปลี่ยนได้เพลินนี่นะท่านเทียนเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจอยกับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆก็ไปมันก็มีกาลังมันก็สงบตัวันได้นความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นสงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างนั้นมันขยับตามนี่ ท่านก้าวท่้าวเหมือนกับว่าจะวันอีพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเพราะท่านเพราะท่านปิดสถานีแต่ทนโอ้ ย, อยอ แ, อแต่ฟอกแต่น้ำก้าวขาด้วยเต็มเท้าเลยอืมเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่ทวไปแม้แต่ภาคมหาศีลมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะ เหนือกว่าท่างพุ่งพุ่งพุ่ ง, พ, งพุ่งกันไปมันก็แยบดูดตามโดดตามนะละจิมพอละเนงิยกู้ตัว